อุปสรรคของการปฏิบัติธรรมวันที่สี่ี้เนี่ยคือเรื่องของความคิดดีคิดโง่ลานคิดอะไรเนี่ยอยากชวนคนนั้นคนนี้มาปฏิบัติคือตัดให้หมดเลยนะความคิดไม่เอาถ้าเราอยู่กับความคิดดีก็เหมือนกับความคิดชั่วนี่เหมือนขี้ไก่นะแต่ความคิดดีนี่เหมือนขี้เป็ดมันจะเหม็นน้อยลงหน่อยแต่ก็คือเหม็นนะเนี่ย คือสปกปรกเหมือนเดิมภาษาผู้รู้ท่านใช้คาว่ามืดสีขาวความมืดสีขาวก็มืดเหมือนเดิมมืดสีดําก็มืดเหมือนเดิมนั่นไม่ว่าจะเป็นความคิดดีหรือความคิดชั่วเขาก็เรียกว่าสังขารเหมือนเดิมสังขารนี่ไม่ใช่ปัญญานะ่ยเป็นปุญญาปิสังขารความคิดดีเป็นปุญญาปิสังขารคิดชั่วเป็นอัปุญญาเป็นบาป แต่ถ้าจมอยู่กับความสงบไม่เกิดปัญญาก็เรียกว่าอาานาญีชาปิสังขานสังขันคือความสงบสงบแบบไม่เกิดปัญญาก็เป็นสังขันเหมือนเดิมคือมันตกอยู่ภายใต้ของความเป็นอนจิจจ์ความเปลี่ยนแปลงธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้เรากำลังปฏิบัติไปสู่ธรมรมะหรือสภาวะที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือมันเป็นอยู่แบบนั้นอะไรประมาณนั้น แต่ถ้ายังเปลี่ยนแปลงอยู่ก็ยังเป็นอนิจจังอนิจจังก็พึ่งไม่ได้ต้องเกิดปัญญายอมรับในความเป็นอนิจจังแต่จิตที่เกิดการยอมรับนั่นแหละนี่ว่าจิตมันเย็นมันสงบเปลี่ยนแปลงก็ได้ไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้